พระนางปัญจาลจันทีได้เป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชในปีที่สองพระนางเจ้านั้นประสูติพระโอรสครั้นพระราชโอรสนั้นมีพรรษาได้สิบปีพระเจ้าวิเทหราชผู้พระชนกสวรรคตมโหสถโพธิสัตว์ได้ถวายราชสมบัติแด่พระกุมารนั้นแล้วทูลลาว่าข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์จักไปอยู่ราชสำนักพระเจ้าจุลนีพระอัยกาของพระองค์พระราชานั้นตรัสว่าแน่บัณฑิตท่านอย่าทิ้งข้าพเจ้าผู้ยังเด็กไปเสียข้าพเจ้าตั้งท่านไว้ในที่บิดาจักทำสักการะบูชาแม้พระนางเจ้าปัญจาลจันทีผู้พระชนนีก็ตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว่าแน่บัณฑิต ในการเมื่อท่านไปเสียแล้วที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีขอท่านอย่าไปเลยมโหสถทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายปฏิญาณไว้แด่พระเจ้าจุลณีข้าพระองค์ไม่สามารถเพื่อจะไม่ไปเมื่อมหาชนคร่ำครวญอยู่อย่างน่าสงสารมโหสถก็พาพวกอุปถาคของตนออกจากพระนครไปถึงอุตรปัญจาล ร, ราชธานี พระเจ้าจุลณีทรงทราบว่ามโหสถมาถึงก็เสด็จต้อนรับให้มโหสถเข้าพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากประทานเคหสถานใหญ่ให้มโหสถอยู่แล้วประทานบ้าน80สบ้านที่ประทานแล้วแต่แรกและโภคสมบัติอื่นๆมโหสถก็รับราชการณราชสำนักนั้นในการนั้นมีปริภาชิกาคนหนึ่งชื่อเฮรี เคยเข้าไปฉันในพระราชนิเวศนางเป็นบัณฑิตฉลาดนางยังไม่เคยเห็นมโหสถได้สดับกิติศัพท์ว่าได้ยินว่ามโหสถบำรุงพระราชาแม้มโหสถก็ยังไม่เคยเห็นปริภาชิกาได้ยินแต่กิติศัพท์ว่าได้ยินว่าปริภาชิกาชื่อเพรีฉันในราชสถาน ควายพระนางนันทาเทวีไม่ชอบพระฮฤทัยในพระโพธิสัตว์ว่ามโหสถทำปิยวิปโยคให้เราลำบากพระนางจึงตรัสสั่งเหล่าสตรีที่สนิทราวห้าร้อยคนว่าเจ้าทั้งหลายจงพยายามหาโทษของมโหสถสักอย่างหนึ่งแล้วทูนยุยงระหว่างพระราชาให้แตกกันสตรีเหล่านั้นเที่ยวมองหาโทษของมโหสถอยู่วันหนึ่ง ปริพาชิกานั้นฉันแล้วออกไปได้เห็นพระโพธิสัตว์มาสู่ราชุปัฏฐานณพระลานพระโพธิสัตว์ไหวปริพาชิกาแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งปริพาชิกาคิดว่าได้ยินว่ามโหสถนี้เป็นบัณฑิตเราจะรู้ความที่เธอเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตก่อนเพื่อจะถามปัญหาด้วยเครื่องหมายแห่งมือ จึงแลดูมะโหสถแล้วแบมือออกได้ยินว่านางถามปัญหาด้วยใจว่าพระเจ้าจุลณีนำมะโหสถมาแต่ประเทศอื่นเดี๋ยวนี้ทรงบารุงเช่นไรหรือไม่ได้ทรงบารุงพระโพธิสัตว์รู้ว่านางเพรีปริภาชิกาถามปัญหาเราด้วยเครื่องหมายแห่งมือเมื่อจะแก้ปัญหาจึงกามือได้ยินว่า มโหสถแก้ปัญหาด้วยใจว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าพระราชาทรงรับปฏิญาณของข้าพเจ้าแล้วให้เรียกมาเดี๋ยวนี้เป็นผู้เหมือนกับกรรมพระหัสไว้มัน่นยังไม่พระราชทานอะไรอะไรที่พระองค์ยังไม่เคยพระราชทานแก่ข้าพเจ้านางเพรีรู้ถ้อยคําของมโหสถจึงยกมือขึ้นรูปศีรษะของตนนางแสดงข้อความนี้ด้วยกิริยานั้นว่า แน่บัณฑิตถ้าท่านลำบากเหตุไรท่านจึงไม่บวชเหมือนอาตมาเล่าพระมหาสัตว์รู้ความนั้นจึงลูบท้องของตนแสดงข้อความนี้ด้วยกิริยานั้นว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าบุตรและภรรยาข้าพรเจ้าต้องเลี้ยงดูมากเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้ายังไม่บวชนางเพรีถามปัญหาด้วยเครื่องหมายแห่งมือแล้วไปสู่อาวาสของตน ฝ่ายมโหสดไหว้นางแล้วไปสู่ราชุปัฏฐานพวกสตรีคนสนิทที่พระนางนันทาเทวีประกอบไว้ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นกิริยานั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าจุลณีทูนยุยงว่าข้าแต่สมมุติเทพมโหสดอยู่ในที่เดียวกับนางเพรีปริภาชิกาเป็นผู้ใคร่จะชิงราชสมบัติย่อมเป็นศัตรูของพระองค์ พระราชาได้ทรงสดับคำนั้นจึงตรัสว่าพวกเจ้าได้เห็นหรือได้ฟังอะไรสตรีเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่มหาราชปริพาชิกาฉันแล้วลงจากปราศาสเห็นมโหสถแล้วเหยียดมือออกหมายให้รู้ความว่าท่านสามารถจะทำพระราชาให้ราบเรียบเป็นดังฝ่ามือหรือให้เป็นดังลานนวดข้าว แล้วทำราชสมบัติให้ถึงเงื้อมมือตนปายมโหสถเมื่อแสดงอาการจับดาบได้กรมือเข้าหมายให้รู้ว่าเราจะตัดศีรษะพระราชาโดยวันล่วงไปเล็กน้อยแล้วทำราชสมบัติให้ถึงเงื้อมมือตนปริภาชิกายกมือของตนขึ้นรูปศีรษะหมายให้รู้ว่าท่านจะตัดศีรษะพระราชาเท่านั้นหรือ มโหสดรูปท้องหมายให้รู้ว่าเราจะตัดกลางตัวเสียด้วยข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงไม่ประมาทควรที่พระองค์จะฆ่ามโหสดเสียก่อนพระเจ้าจุลนีได้ทรงฟังถ้อยคำของสตรีเหล่านั้นจึงทรงดำริว่ามโหสดไม่อาจจะประทุสร้ายในเราเราจะถามปริภาชิกาก็จรู้ความ อีกวันหนึ่งในการเมื่อปริภาชิกาฉันแล้วพระองค์เข้าไปหานางตรัสถามว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าพบมโหสดบ้างหรือนางทูลว่าเมื่อวานนี้อาตมะฉันแล้วออกไปจากที่นี้ได้พบเธอตรัสถามว่าได้เจรจาสนทนาอะไรกันบ้างนางทูลว่าหาได้พูดอะไรกันไม่ เป็นแต่อาตามะได้ยินว่าเธอเป็นนักปราดจึงถามปัญหาเธอด้วยเครื่องหมายแห่งมือด้วยมณิสิการว่าถ้าเธอเป็นนักปราดเธอจะรู้ปัญหานี้จึงได้แบมือออกให้สำคัญรู้ว่าพระราชาของท่านเป็นผู้มีพระหัตแบรหรือมีพระหัตกรรมคือได้ทรงสงเคราะห์อะไรท่านบ้างหรือมิได้ทรงสงเคราะห์ มโหสถได้กำมือให้หมายรู้ว่าพระราชารับปฏิญาณของข้าพเจ้าไว้แล้วตรัสเรียกมาเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้พระราชทานอะไรทีนั้นอาตมาจึงรูปศีรษะให้หมายความว่าถ้าท่านลำบากทําไมท่านไม่บวช ด, ดังอาตมะเล่าปวายมโหสถลูปท้องของตนให้ทราบว่าบุตรภรรยาอันข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูมีมากเกิน จะต้องให้เต็มท้องกันมิใช่น้อยเหตุนี้จึงยังบวชไม่ได้พระราชาจึงตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้ามโหสถเป็นนักปราดหรือนางเพรีทูลว่าบุคคลอื่นชื่อว่าเป็นนักปราดเช่นมโหสถย่อมไม่มีในพื้นแผ่นดินพระราชาได้ทรงฟังถ้อยคำแห่งนางเพรีแล้วทรงนามส ก, การแล้วอาราธนาให้กลับ ในการเมื่อนางเพรีไปแล้วมโหสถได้เข้าไปสู่ราชุ ป, ปัฐานลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามมโหสถว่าแนบันดิตเจ้าได้พบนางเพรีปริพาชิกาบ้างหรือมโหสดกราบทูลโดยนิยามแห่งข้อความที่นางทูลแล้ววา่าเมื่อวานนี้นางออกไปจากพระราชนิเวศข้าพระองค์ได้พบนาง นางถามปัญหาข้าพระองค์ด้วยเครื่องหมายแห่งมืออย่างนั้นแม้ข้าพระองค์ก็ได้แก้ปัญหาของนางอย่างนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสพระราชทานที่เสนาบดีแก่มโหสถในวันนั้นให้มโหสถรับราชกิจทั้งปวงมโหสถก็มีเกียรติยศใหญ่ในระหว่างอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานมโหสถคิดว่า พระราชาพระราชทานอิสริยยศยิ่งใหญ่ในคราวเดียวกันก็แต่พระราชาทั้งหลายแม้ทรงใครจะยังเราให้ตายก็ย่อมทรงทำอย่างนี้เองชะไหนหนอเราจะทดลองพระราชาว่าเป็นผู้มีพระหรุยไยดีต่อเราหรือหาไม่ก็แต่บุคคลอื่นไม่สามารถจะรู้ได้นางเพรีปริพาชิกาพูดถึงพร้อมด้วยปัญญานั่นแหละ จักรู้ได้โดยอุบายครั้นคิดชนีแล้วจึงถือของหอมมีดอกไม้เป็นต้นเป็นอันมากไปสู่อาวาสปริพาชิกาบูชาไหวนางแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันที่ท่านกล่าวคุณนักถาของข้าพเจ้าแดพรราา่พระราชาพระราชาพระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าราวกับว่าจะทับถม แต่ข้าพเจ้าหาทราบยศที่พระราชฐานนั้นไม่ว่าพระราชฐานโดยปกติหรือโดยไม่ปกติดีแล้วท่านพึงรู้ความที่พระราชาโปรดปรานข้าพเจ้าแลหรือโดยอุบายอันหนึ่งนางเพรีรับคำอีกวันหนึ่งเมื่อไปสู่พระราชนิเวศได้คิดปัญหาชื่อว่าทักษรคสะปัญหาดังได้สดับมา ความปริวิตกอย่างนี้ได้เกิดมีแกนางเพรีว่าเราเป็นเหมือนคนสอดแนมจักทูลถามพระราชาโดยอุบายก็จักรู้ว่าพระองค์มีพระหฤทัยดีต่อมโหสถหรือหาไม่นางไปทาพัฒกิจแล้วนั่งอยู่ภ่ายพระราชาทรงนมัสการนางเพรีแล้วก็ประทับนั่งอยู่ความปริวิตกได้เกิดมีแกนางเพรีว่า ถ้าพระราชาจักเป็นผู้มีพระหารุตัยร้ายต่อมโหสถเราทูลถามปัญหาจะตรัสความที่พระองค์มีพระหารุตัยร้ายในท่ามกลางมหาชนข้อนั้นจะไม่สมควรเราจะต้องทูลถามพระองค์ในที่ควรแห่งหนึ่งนางจึงทูลว่าอาตามาปรารถนาที่รับพระราชาจึงให้ชนทั้งหลายกลับไปเสียลำดับนั้น นางเพรีจึงทูลขอวโรกาศแต่พระราชาว่าอาตามะจะทูลถามปัญหากับพระองค์พระราชาตรัสอนุญาตว่าถามเถิดผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ารู้ก็จักกล่าวแก้ลําดับนั้นนางเพรีปริภาชิกาเมื่อจะทูลถามทักกรคะสะปัญหาจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าถ้าว่า ผีเสื้อน้ำผู้สแสวงหาเครื่องเส้นมนุษย์จับเรือของพระนางสลากเทวีพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีพระมเหสีพระติคินะมนตรีกุมารพระอนุชาธนุเสขกุมารพระสหายเกวัตตาพรามราชปุโรหิตาจาร์มโหสดบัณฑิตและพระองค์รวมเจ็ดซึ่งลล่นอยู่ในทะเล พระองค์จะประทานให้เป็นลำดับอย่างไรแก่ผีเสื้อน้ําบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเจ็ดสัตตันนังความว่าของคนเจ็ดคนเหล่านั้นคือพระชนนีของพระองค์หนึ่งพระนางนันทาเทวีหนึ่งติขินะมนตรีกุมา 1, นหนึ่งทุเสขพระสหายหนึ่งอุโรหิตหนึ่งมโหสถหนึ่งและพระองค์หนึ่ง คำว่าในทะเลอุทกันนะเวได้แก่ในน้ำทั้งลึกทั้งกว้างคําว่าแสวงหาเครื่องเส้นมนุษย์มนุษ์สพลิเมสาโนได้แก่แสวงหาเครื่องเส้นคือมนุษย์คาว่าจับคันเหยะความว่าขี่เสื้อน้ำถึงพร้อมด้วยเรี่ยวแรงโผล่ขึ้นจากน้ำจับเรือนั้นไว้ ก็แลครั้นจับแล้วกล่าวว่าท่านจงให้ชนหกคนเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าตามลำดับข้าพเจ้าจะปล่อยท่านไป mm. เมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์จะจัดลำดับให้อย่างไรคาว่าประธานแก่ผีเสื้อน้ำมญเจสิทกรักขะโตความว่าเพิ่งจัดลำดับคนที่หนึ่งถึงคนที่หกให้แก่ผีเสื้อน้ำอย่างไร พระเจ้าจุลนีทรงสดับดังนั้นเมื่อจะทรงสำแดงตามพระราชะอัธยาศัยจึงตรัสคาถานี้ว่าข้าพระเจ้าจักให้พระมารดากรให้มเหสีเป็นที่สองกนิถะพาดาเป็นที่สามแต่นั้นให้สหายเป็นที่สี่ให้พรามปุโรหิตเป็นที่ห้าให้ตนเองเป็นที่หกแต่มโหสถไม่ให้เลยบรรดาคำเหล่านั้นคาว่า ตนเองเป็นที่หกชัดถาหังความว่าเมื่อผีเสื้อน้ําเคี้วกินพรามเป็นคนที่ห้าแล้วลําดับนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวว่าพ่อผีเสื้อน้ําจงอ้าปากเมื่อมันอ้าปากแล้วข้าพเจ้าจะกอดอกให้มั่นไม่คํานึงถึงสิริราชสมบัติกล่าวว่าจงเคี้ยกินข้าพเจ้าในบัดนี้แล้วโดดเข้าปากมัน เมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้มโหสถบันดิตอย่างแน่นอนปัญหานี้จบด้วยคาถามักเท่านี้